จเจริญศุภท่นานสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายธรรมในวันนี้จะบรรยายในหลักสูตรของนักธรรมชันตรีเกี่ยวกับคีหิปฏิบัติคือข้อข้อปฏิบัติสำหรับเครือขัน์ในหัวข้อว่าคารวะจะทรรมของคารวะเพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียนนักศึกษาและท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายสืบต่อไปโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่ง วันนี้พูดในเรื่องของคารว า, าตธรรมแปลว่าธรรมเป็นที่อยู่ของผู้ครองเรือนหรือว่าธรรมประจำจิตประจำใจของผู้ครองเรือนมีอยู่สี่ประการด้วยกันคือหนึ่งสัตว์จะซื่อสัตว์แก่กันหรือจริงใจต่อกันข้อสองธรรมรู้จักคมจิตใจของตนข้อที่สามขันติคือความอดทนข้อที่สี่จากะ เสียสละให้ปันสิ่งของของตนแก่คนที่ควรให้ปันทั้งสี่ข้อนี่แหละได้ชื่อว่าคารวาตจะทมหรือที่ในปัจจุบันนี้ในทางรัฐบาลก็ได้ประกาศออกทางทีวีแล้วก็ทางวิทยุแล้วก็มีเป็นคำขวัญเป็นพระบรมราชโชวาทขององค์สมเด็จ อ, อง กระบะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในราชการปัจจุบันซึ่งได้พระเจาทานให้กับบรรดาพวกเราชาวไทยทั้งหลายได้นำไปประพฤติธปฏิบัติกันฉะนั้นในข้อแรกที่บอกว่าจัตเจคือความจริงใจต่อกันหรือว่าซื่อสัตย์แก่กันคำว่าจัตเจในที่นี้ถ้าพูดตามความหมายของศัพท์ก็คือว่าความจริงใจนะความจริงใจ ให้คำว่าความจริงใจในที่นี้ก็คือว่าจริงใจกับใครจริงใจในที่นี้ก็คือว่ามีความจริงใจแล้ววางบุคคลนะระ้ว่างบุคคลข้อนี้เป็นสิ่งสำคัญระว่างบุคคลต่อบุคคลระว่างสามีภรรยาระหว่างาศิษ์กับอาจารย์ระหว่างบิดามารดากับลูกหญิงลูกชายระหว่างมิตรต่อมิตรหรือระวาง ผู้เป็นนายกับผู้เป็นบ่าวหรือเป็นคนรับใช้ในธรรมนองนี้เราจะต้องมีความจริงใจต่อกันคนเราถ้าถ้ามาพิจารณาถึงว่าความเป็นคนมีความจริงนะในจริงนี่มันตรงกันข้ามกับคำว่าเล่นนะฉะนั้นที่เราพูดว่าเป็นคนจริงๆนะเป็นพระจริงๆเป็นลูกจริงๆเป็นพ่อแม่จริงๆนะ ให่คนจริงนะนี่ถ้าเอาไปทำเป็นพ่อคนก็เป็นพ่อจริงๆถ้าเอาไปทำเป็นแม่คน Bay, ก็เป็นแม่จริงๆเอาไปทำเป็นลูกคนก็เป็นลูกจริงๆเอาไปทำเป็นสามีคนก็เป็นสามีจริงๆเอาไปทำเป็นภรรยาคนก็เป็นภรรยาจริงๆหรือว่าเอาไปทำเป็นครูบาอาจารย์ก็เป็นครูบาอาจารย์จริงๆจะไปเป็นอะไรก็แล้วแต่จริงๆทั้งน right ั้นแม้ว่าจะไปทาเป็นพระก็เป็นพระจริงๆ คนเราถ้ามันเป็นจริงๆแล้วมันก็มีค่ามีประโยชน์นะมีค่ามีประโยชน์แต่ถ้ามันไม่จริงแล้วมันก็หมดค่าแล้ว ก, กวนะ็ไรประโยชน์อีกด้วยนะไรประโยชน์อีกด้วยกลายเป็นคนเล่นๆนะเป็นคนเล่นๆไม่มีความหมายนั้นไอของที่มันตรงกันข้ามจริงก็คือเล่นๆคนเราถ้าเป็นคนเล่นๆเอาไปทำเป็นพ่อคนก็เป็นพ่อเล่นๆเอาไปทำเป็นแม่คนก็เป็นแม่เล่นๆ เอาไปทำเป็นสามีคนก็เป็นสามีเล่นเล่นเอาไปทำเป็นภรยาคนก็ๆๆเป็นภรรยาเล่นเล่นมีลูกก็มีลูกเล่นเล่นเป็นครูบาอาจารย์ก็เป็นครูบาอาจารย์เล่นเล่นแม้กระทั่งที่สุดเอาไปทำเป็นพระก็เป็นพระเล่นเล่นมันไม่มีความหมายนะะไม่มีประโยชน์สิ่งไรถ้าไม่มีความหมายไรประโยชน์แล้วแน่นอนที่สุดเกิดมาก็รกโลกรกประเทศชาติรกบ้านรกเมืองรกหูรกตา ไม่มีความหมายฉะนั้นขอให้เราทุกคนนั้นจะต้องมีความจริงใจต่อกันยิ่งเราเป็นสามีภรรยาจะต้องมีความจริงใจต่อกันมากอย่ากโกหกหลอกลวงกันไม่ได้นะอย่ากโกหกหลอกลวงกันไม่ได้ฉะนั้นในข้อนี้อาตมาได้เคยอบรมสั่งสอนคู่บ่าวสาวว่าว่าเราทั้งสองต่างก็ได้หล่อล้อมกายและใจเพื่อจะให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความคิดเห็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการที่จะสร้างสรรค์คุณงามความดีสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้เกิดขึ้นแก่ตัวเองแก่วงตระกูลฉะนั้นเราจะต้องมีความจริงใจต่อกันเป็นสามีภรรยาไม่มีความจริงใจต่อกันแน่นอนที่สุดรอยร้าวก็จะบังเกิดขึ้นความระหองระแหงก็จะบังเกิดขึ้นความแตกแยกก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้โดยมาก ฉะนั้นเราจะต้องมีความจริงใจต่อกันเป็นสิ่งสําคัญมากไม่ควรจะต้องปิดบังอําพรางอะไรกันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็หันหน้ามาปรึกษาหารือกันอย่างนั้นถูกไหมอย่างนี้ควรไหมอเขาทําเราอย่างนั้นเขาทําเราอย่างนี้อ่าเราไม่มีความลับต่อกันถ้าว่าสามีภรรยามีความลับต่อกันก็กลายเป็นขอประธานโทษก็กลายเป็นสามีผีภรรยาผี ยังมียังหลอกกันยังปิดบังกันไม่ดีนะไม่ดีฉะนั้นคู่สามีภระยานี้จึงเป็นสิ่งสำคัญมากนะสำคัญเหลือเกินจะต้องมีความจริงใจฉะนั้นจึงจึงพูดกันให้เกี่ยวเนื่องว่ า, อาบอกว่าขอให้คู่เปล่าสาวทั้งสองจงรู้จักอดออมถนอมน้ำใจพูดทำสิ่งใดอย่าได้ผุนผลนให้จงรักพักดีต่อกันยึดมั่นอยู่ในสัจวาจา สงเคราะห์คนสนิทมิตรญาติเคารพชาติตศาสนาสนองคุณบิดอนมารดาและขอให้เธอทั้งสองจงตั้งหน้าทำมาหากินแล้วเธอจะสุขชีวินชั่วชีวิตนิพนันดอนนี่เป็นเป็นเสี้ยวหนึ่งที่อาตมาได้ปบรมคู่บ่าวสาวจะต้องใช้หลักในข้อนี้อยู่เสมอเป็นประจันฉะนั้นจึงบอกว่าเรื่องความจริงใจนี้จึงเป็นสิ่งสาคัญระหว่าง มิตรต่อมิตรก็เหมือนกันมิตรต่อมิตรจะต้องมีความจริงใจต่อกันเป <artificial> ็นเพื่อนกันถ้ามิตรต่อมิตรไม่มีความจริงใจต่อกันมันก็กลายเป็นเพื่อนกินเพื่อนกันไม่ดีไอ้เพื่อนกินเพื่อนกันมันหาง่ายนะมันหาง่ายแต่เพื่อนตายนั้นหายยากนะจึงมีคำโคลงที่บอกไว้ว่าเพื่อนกินสิ้นทรัพย์แล้วแหนงหนีหาง่ายหลายหมื่นมีมากได้เพื่อนตายถ่ายแทนชีวาอาจ หายากปากผีไขย่ยากแพ้จักหานี่คือจึงบอกว่าไอ้เพื่อนกินเพื่อนคันหาง่ายนะเป็นหมืน่นเป็นแสนดาดเดินไปเลยพวกนี้เอาเปรียบนะ่ะนอกจากเอาเปรียบเราแล้วก็ยังยังฆ่าเราอีกยังทําลายวงตระกูลของเราอีกบางคนต้องบมดเนื้อหมดตัวเพราะเพื่อนฉะนั้นจึงบอกว่าความเป็นเพื่อนความเป็นมิตรนี้ถ้าหากว่าเราได้เพื่อนไม่ดีได้มิตรไม่ดีมันก็กลายเป็นสตรูวนะฉะนั้น คนใดมีเพื่อนเป็นศัตรูนั้นถือว่ามีโทษร้ายแรงมากตัดอุปนิสัยแห่งบุญแหง่งกุศลหมดซ้ำร้ายก็จะทําให้เรานั้นต้องหมดเนื้อหมดตัวจะต้องอเสียเงินเสียทองและยิ่งไปกว่านั้นอาจจะต้องทําให้ตัวเราตายอีกก็ได้ฉะนั้นขอให้เราทุกคนจงมีเพื่อนที่ดีคือกัลยาณมิตรการที่เราได้เพื่อนที่ดีเป็นกัลยาณมิตรนั่นแหละคือเพื่อนที่ที่ดีที่งามเพื่อนที่มีความจริงใจ มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันฉะนั้นขอให้เราทุกคนจงมีเพื่อนที่ดีกันเถิดอ่าการมีเพื่อนที่ดีนั้นถือว่าเป็นมงคลอันสูงสุดพระพุทธองค์จึงได้จัดไว้ในมงคลว่าอเสวนาจะพาลานังปัณฑิการนันจะเสวนาบูชาจะบูชนียานังเอตัมมังคลมุตตังมังว่าการไม่คบคนพาลคบแต่บัณฑิตบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด เป็นสิ่งอันประเสริฐสุดแก่ตัวเราฉะนั้นขอให้เราทุกคนนั้นจงมีความจริงใจต่อกันและยิ่งไปกว่านั้นเราเป็นหัวหน้าเราเป็นเจ้านายมีลูกน้องมีบ่าวมีไพ่ทั้งสองอย่างนี้ก็จะต้องให้ความจริงใจต่อกันบ่าวก็ต้องให้ความจริงใจต่อเจ้านายเจ้านายก็ต้องมีความจริงใจมีความซื่อสัตย์สุดจริตด้วยรมทั้งสองฝ่ายไม่ใช่เห็นเอา เขาเป็นบ่าวเราก็ใช้เขาอยู่ตะวี่ตะวันอย่างนี้ไม่ดีไม่มีคุณธรรมเราจะเป็นเจ้านายต้องเป็นเจ้านายอย่างมีคุณธรรมลูกน้องจึงจะมีความมานะมีความอดทนมีความขยันในการที่จะประกอบกิจการงานน้อยใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างให้สําเร็จรุ่งรืองไปได้โดยดีแต่ถ้าหากว่าเจ้านายไม่มีความซื่อสัตย์สุดจริตแน่นอนที่สุดก็จะเป็น ถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมหรือว่าเป็นแบบอย่างทําให้ลูกน้องนั้นกระพฤตินในทางที่ไม่ดีไม่งามได้อาจจะถูกดา่าถูกว่ามากๆก็เกิดอารมณ์ฉุนเฉียวทําให้ไม่อยากทําการงานหรือจะทําก็ทําแต่ต่อหน้ารับหลังก็ไม่อยากทำเนี่ยดีไม่ดีก็จะคิดหักหลังเจ้านายอันนี้ก็มีอยู่โถมเถไปฉะนั้นขอให้เราทุกคนมามีความจริงใจต่อกัน งนั้นความจริงใจในสัจจะนี้อาจจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าซื่อสั์สุจริตนะซื่อสัจสุจริตไอ้คำว่าซื่อสั์สุจริตก็คือว่าซื่อสั์สุจริตด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจคนโบราณจึงบอกว่าซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะซื่อกินไม่หมดคุณงามความดีของคนซื่อมันกินไม่หมดกินไปตลอดชีวิตก็ไม่หมดทำให้เรานี้จะต้อง เห็นนึกถึงคุณงามความดีของเขาอยู่ตลอดเวลาเรียกว่ากินไม่อิ่มว่าอย่างนั้นเถอะนะแต่มันมันเหมือนกับว่ามันเป็นของวิเศษเหมือนอาหารอันโอชะอันนี้เพราะเพราะความซื่อสัตย์สุจริตของเขานั่นเองตรงกันข้ามคดกินไม่นานไอ้คนคิดคดทรยศมันอยู่ไม่นานนะทำให้เราต้องลืมเลือนทำให้เราต้องไม่อยากช่วยเหลือไม่อยากเกื่อกูลไม่อยากคบค้าสมาคม แม้แต่เห็นหน้าก็ยังไม่อยากจะดูนะฉะนั้นนี่แหละคดกินไม่นานจึงขอให้เราทุกคนมามีความจริงใจต่อกันมีความซื่อสัสตย์ต่อกันซื่อตรงต่อกันบางทีอาจจะพูดได้ว่าให้เราทุกคนนั้นมีความจริงใจต่อการงานจริงใจต่อหน้าที่ของตนจริงใจต่อบุคคลให้เราจริงใจต่อวาจาแล้วก็ให้เราทุกคนนั้นมีความซื่อตรงต่อเวลานะ ทำอะไรกเ็เรียกว่าทําทําตรงต่อเวลาและก็ทําถูกเวลาและก็ทําให้เสร็จได้ทันเวลาอย่างนี้ใช้ได้นีอย่างนี้ใช้ได้ไดฉะนั้นในสัจจะข้อที่แรกจึงเป็นทำจําเป็นยิ่งสําหรับผู้อยู่ครองเรือนถ้าหากว่าผู้อยู่ครองเรือนไม่มีสัจจะแน่นอนที่สุดก็จะอยู่กันอย่างไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนในข้อที่สองคือธรรมะ รู้จักข่มจิตใจของตนคําว่าธรรมะนี้แปลว่าข่มได้อย่างหนึ่งแปลว่าสกได้อีกอย่างหนึ่งแล้วก็แปลว่าหยุดได้อีกอย่างหนึ่งที่แปลว่าข่มนั้นก็หมายถึงว่ารู้จักข่มใจในเมื่อเราประสบอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาหรือในอนิจฐารมณ์หรือรู้จักข่มใจในเมื่อผู้อื่นมาทําให้เราต้อง น้อยเนื้อต่ำใจต้องเสียใจเราต้องข่มใจไว้นะถ้าเราไม่ข่มใจไว้เราอาจจะต้องทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปที่ก่อให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนอาจจะมีการาตีชกต่อยกันหรือมีการด่าว่ากันจนกระทั่งี่สุดก็มีการประหัดประหารทำลายล้างผลาญชีวิตของกันและกันอันนี้มันก็เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนด้วยกันทั้งสองฝ่ายไม่ใช่เดือดร้อนแต่ผู้คู่กรณีเท่านั้น ยังเดือดร้อนถึงครอบครัวของเราลูกเมียของเราภรรยาสามีของเราพ่อแม่ของเราลอยเดือดร้อนไปด้วยอาจจะถูกเจ้าหน้าที่จับติดคุกติดตารางมันกระทบกระเทือนไปหมดเลยฉะนั้นขอให้เราทุกคนจงรู้จักคมใจไว้นะคมใจไว้การคมใจในเท่ากับว่าเป็นการอดกลั้นไว้นะกลั้นไว้ยาลุอำนาจตามอำเภอใจ อย่าคิดอย่าทำอะไรอย่าพูดอะไรตามอําเภอใจเราจะต้องรู้จักคมใจไว้ค่มเพื่อเพื่อให้ให้อยู่ในภาวะเป็นปกติมันโกรธก็ไม่โกรธ อ, อยากจะพูดก็ไม่พูดอยากจะทำอะไรก็ไม่ทำนี่แหละถ้าว่าเราคมใจไว้ธรรมะในความหมายที่สองก็คือให้เรารู้จักสึกคำว่าสึกในที่นี้ก็คือสึกให้เป็นนะสึกให้เป็น คนเราทุกคนที่เกิดมานั้นตางก็ไม่เป็นงานมาก่อนอาพูดก็ไม่ได้เดินก็ไม่ได้จะกินข้าวก็กินไม่เป็นนอนไม่เป็นอะไรทางนั้นเนละเรียนหนังสืออ่านหนังสือไม่เคยรู้เรื่องมาทางนั้นแต่ที่เรารู้อ่านออกเขียนได้ทำอะไรได้ทุกสิ่งทุกอย่างกินเป็นพูดเป็นทำเป็นนี่ก็เพราะอาศัยการฝึกนั่นเองคนเราต้องฝึกจึงมีคากรอนบทหนึ่งว่าคนจะดีนี้ต้องฝึกและศึกษา กายวาจาต้องอบรมบ่มนิสัยต้องฝึกจิตให้แน่นหนักเป็นหลักชัยชนะภัยสารพัสสวัสดีนี่ว่าคนนี้ถ้าได้ฝึกศึกษาแล้วแน่นอนที่สุดจะทําให้มีความรู้มีความเฉลียวฉลาดมีพะละกําลังแข็งแรงสมบูรณ์เป็นนักมวยเป็นนักกีฬาต้องฝึกทั้งถ้าไม่ฝึกก็สู้เขาไม่ได้เป็นนักกีฬาที่ดีไม่ได้นะเราจะต้องฝึกทุกสิง่งทุกอย่างจะต้องฝึก เป็นคาวาสก็ต้องฝึกนะฝึกทํางานให้เป็นฝึกพูดให้เป็นกินก็เหมือนกันเราต้องฝึกเดินเราก็ต้องฝึกทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการฝึกกันทางนั้นพระพุทธองค์จึงได้ตรัสไปว่ารันตอเสถโหมนุษย์เสสุคนที่ฝึกจิตสุกใจดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่มนุษย์ทั้งหลายตรงกันข้ามคนไม่ได้ฝึกกายฝึกใจก็ไม่เป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่มนุษย์ทั้งหลายกลายเป็นเสียนเป็นหนามกลายเป็นภัยต่อสังคม คนที่ได้ฝึก ด, ดีแล้วแม้พูดก็เป็นทำก็เป็นคิดก็เป็นจะทำอะไรก็มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยถูกต้องตามทํานองคลองธรรมถูกต้องต่อระเบียบของสังค ม, มถูกต้องต่อกฎหมายบ้านเมืองถูกต้องต่อประเพณีของแต่ละหมู่บ้านแต่หนแต่ละหนแต่ละแห่งมันก็ไม่ขัดไม่เขินฉะนั้นอันนี้แหละเราทุกคนจะต้องฝึกฝึกเพื่อให้เป็นเห็นเพื่อให ให้รู้ให้จำได้เห็นเพื่อให้จาแล้วก็นำมาใส่ใจแล้วเอาไปประพฤติปฏิบัติก็จะก่อให้เกิดประโยชน์เราจะสังเกตดูสิคนเราทุกคนที่เกิดมาอ่าหนังสือไม่ออกพูดไม่ได้พ่อแม่ก็สอนให้เราพูดให้รู้จักคำว่าแม่เป็นคำแรกคำว่าพ่อนี่กินไม่ได้ก็สอนให้อ้าปากบางครั้งตอนเป็นเด็กเห็นถ้ะ เดินผ่านบ้านบินดาบาดหน้าบ้านพ่อแม่ก็จะฝึกลกูกทุกบอกให้ทุพระอสวัสดีพระให้ไหว้พระจับมือประนมขึ้นกดศรีรษะลงไปนี่ก็เป็นเรื่องฝึกมาตั้งแต่เด็กยิ่งโตเข้าเราต้องฝึกทุกสิ่งทุกอย่างเลยการเข้าสมาคมทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องฝึกทั้งนั้นฉะนั้นเรื่องเป็นทหารตำรวจนี่เครกานนี่จะต้องฝึกมากนะเขาฝึกกันมากกิงน ทีคนเราเมื่อฝึกถึงที่แล้วแน่นอนที่สุดก็สามารถที่จะรักษาตนให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขได้และรักษาประเทศชาติให้รอดปลอดภัยจากไฟปัจจามิตรได้ฉะนั้นขอให้เราทุกคนมาฝึกกายก็คือว่าให้อ่อนน้อมถ่อมตนฝึกวาจาก็ให้พูดจาที่อ่อนหวานพูดจาไพเราะพูดจามีแต่คําสัตย์คําจริง พูดประกอบด้วยเมตตาพูดรู้จักการละเทศะแล้วก็ฝึกใจให้คิดเป็นนะไม่โลภอยากได้ของเขาไม่ไปยาบาทปองร้ายเขาไม่เห็นผิดจากทํานองครองธรรมอย่างนี้เขาเรียกว่าเราฝึกกายวาจาฝึกเป็นนะฝึกเป็นฉะนั้นขอให้เราทุกคนรู้จักฝึ ก, กจิตสุดใจประการที่สามธรรมะมีความหมายอย่างหนึ่งก็แปลว่าหยุดนะไอ้คําว่าหยุดก็คือว่า ไม่ได้หมายว่าให้หยุดอยู่กับที่ไม่ต้องทำอะไรในที่นี้หมายความว่าหยุดในเมื่อเราจะก่อกรรมทำชั่วหยุดในเมื่อเราจะเดินทางผิดพลาดเราต้องรู้จักหยุดหยุดเพื่อไม่ให้เรานั้นจะต้องเกิดความโลภความโกรธความหลงหยุดเพื่อไม่ให้เรานั้นจะต้องอก่อกรรมทำชั่วต่อไปต่ความหมายว่าหยุดในที่นี้ก็ถือว่า ให้เรารู้จักหยุดตัวเองนะหยุดตัวเองก็คือถ้ากูว่าเป็นการชนะตัวเองพระพุทธองค์จึงได้ตัดไว้ว่าอัตต า, าเวชิตังเสยโยการชนะตัวเองนั่นแหละประเสริฐอการชนะตัวเองประเสริฐยิ่งกว่าชนะคนอื่นตั้งพันตั้งหมื่นตั้งแสนนะเพราะชนะคนอื่นนั้นยังมีโอกาสที่จะแพ้แล้วก็มีโอกาสที่จะชนะผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ เป็นเวรที่จะทำซึ่งกันและกันต่อไปเป็นการจองเวรจองล้างจองผลาญกันแสดว่าการชนะตัวเองนั้นเท่ากับว่าเป็นการปราบพยศลบมานะละความร้อนถอนความไข้เพื่อให้มีความสุขฉะนั้นเราจะต้องหยุดตัวเองคนเราถ้าไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักละไม่รู้จักพอไม่รู้จักวางแน่นอนที่สุดมันก็มีทุกข์มากเดือดร้อนมากนะ ติดอะไรติดในรูปติดในเสียงติดในกลิ่นติดในรสนี่ฉะนั้นเราจะต้องละต้องวางต้องรู้จักหยุดบ้างนะรู้จักพอบ้างรู้จักสันโดษบ้างเราจะมัวไปทะเยอทยานไปโลกโมโทสันมากแน่นอนที่สุดเราก็อายุสั้นนะอายุสั้นตายง่ายและเป็นปิยาอาการที่ไม่สุภาพเป็นเรียนการที่ไม่เรียบร้อยฉะนั้นขอให้เราทุกคนมารู้จักหยุดกันเถอะรู้จักละวางกันเถอะก็คือหยุดใจตัวเอง หยุดทำชั่วหยุดพูดชั่วหยุดคิดชั่วนี่เราหยุดอย่างนี้ได้สบายแต่ถ้าเราหยุดไม่ได้แน่นอนที่สุดเราก็จะต้องเดือดร้อนเหมือนกับอายุดยานพาณนะชพวกรถเรือต่างๆไม่มีเบรกไม่มีหางเสือรถไม่มีเบรกก็คือไม่รู้จักหยุดถึงที่ควรหยุดไม่รู้จักหยุดแน่นอนที่สุดก็มีพิษมีภัยมีอันตรายแก่ตัวเองและแก่ผู้อื่นอาจจะไปชนเขาก็ได้ อาจจะถึงกับให้ทรัพย์สินต่างๆ ต, ต, ต, ต้องสูญเสียหายและอาจจะต้องทําให้ชีวิตนั้นวอดวายลงไปได้ฉะนั้นเราจะต้องรู้จักหยุดนะรู้จักหยุด<ม>หางเสือของเรือเหมือนกันเพื่อเพื่อรู้จักหันเหทิศทางรู้จักเบ า, ารู้จักหยุดได้แต่ถ้าเรือไม่มีหางเสือแน่นอนที่สุดมันก็อาจจะถึงความอับปางได้อาจจะชนฝั่งซ้ายฝั่งขวาได้อเรือก็อาจจะต้องพังหรือ อ, อาจจะ โตขึ้ลมพัดพาไปทำให้อับปางอยู่ในกลางแม่น้ำกลางทะเลได้ฉะนั้นขอให้เราทุกคนมารู้จักหยุดกันเถิดนะอย่าทะเยอทะยานนะหยุดอิจฉาหยุดริษยานะเลิกเส้ียีให้เรามีเมตตาปรารถนาดีต่อกันเราก็จะมีแต่ความสุขนี่เป็นความหมายของธรรมะซึ่งพูดพอย่อๆพอเป็นแนวทางให้เราว่าคำว่าธรรมะนี้แปลว่ารู้จักข่มใจรู้จัก ฝึกจิตฝึกใจรู้จักหยุดกายวาจาใจมาในข้อที่สามของคารวะศทธรรมก็คือขันติความอดทนขันติความอดทนนี้คือให้เรารู้จักยับยั้งชั่งใจมิให้เกิดอารมณ์หุนหันพลันแล่นเป็นคุณสำคัญของชนผู้อยู่ในชุมชนหรืออยู่รวมกัน ตั้งแต่คนในตระกูลเดียวกันหรือว่าอยู่ร่วมกันเป็นหมวดเป็นหมู่ความอดทนคือความอดกลั้นนะอดกลั้นเป็นอุบายตัดต้นเหตุแห่งผลร้ายทําให้สงบลงได้ทั้งยังเป็นปัจจัยเพื่อรักษาตนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายให้ไปสู่สันติสุขให้เกิดความสงบให้เกิดความสามัคคีด้านความอดทนนี้จึงเป็นสิ่งสําคัญ ระหว่างผู้อยู่คลองเรือนระหว่างสามีภรรยาเป็นสามีภรรยากันเป็นพ่อเป็นแม่ถ้าหากว่าไม่มีความจริงใจก็อยู่กันไม่ได้นานไม่มีไม่รู้จักคมใจก็อยู่กันไม่ได้นานไม่มีขันติความอดทนก็อยู่กันไม่ได้นานฉะนั้นเราจะต้องมีขันติความอดทนลิ้นกับฟันอยู่ใกล้กันก็ย่อมกระทบกันได้กระทบกันบ่อยๆนั้นลิ้นเสียเปรียบฟันสามีภรรยาหรือการเป็นเพื่อน เป็นมิตรเป็นสหายต่อกันถ้าปรารถนาที่จะให้อยู่กันถาวรยั่งยืนจะต้องมีความอดทนคุณสมบัติของความอดทนนั้นถ้าหากว่าผู้ใดฝึกให้มีอยู่ในจิตในใจก็จะเป็นที่หลังไหลมาของบุญทานการกุศลก็ย่อมเป็นที่เ อ, อรวมพวกพ้องและยังเป็นการประสานความสามัคคี และก็จะนําหมู่คณะไปสู่สันติสุขได้แต่ถ้าคนไม่มีความอดทนก็กลายเป็นคนหุนหันพันแล่นเป็นคนมีโทสะเป็นคนใจร้อนเป็นคนโมโหโกรธทางง่ายไอ้คนใจร้อนก็เหมือนกับน้ําร้อนไอ้น้ําร้อนมันไปกระทบกระเซ็นไปถูกใครเข้าก็ทําผู้นั้นให้ผุพองให้แสบ ร, ร้อนนะไม่มีประโยชน์นะมีแต่โทษคนเราเหมือนกันถ้าเป็นคนใจร้อน แต่การแรกมันก็เผาจิตใจตัวเองเมื่อเผาจิตใจตัวเองหมดแล้วก็ยังไปเผาผู้อื่นทําให้ผู้อื่นต้องเดือดร้อนไปด้วยฉะนั้นเราจะต้องมีความอดทนความอดทนนี้แบ่งออกอีกเป็นสามประการคือหนึ่งอดทนตรำตรำทําการงานโดยไม่หวั่นหวั่นต่อความร้อนความเย็นความหนาวไม่ท่านเพลินต่อความเหนื่อยยากความลําบากอดทนทําได้นะ เห็นเราจะทำนาทำไร่ทำสวนค้าขายหรือประกอบธุรกิจต่างๆแน่นอนทุกที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะต้องใช้แรงกายแรงใจมันจะต้องเหน็ดเหนื่อยต้องใช้กำลังฉะนั้นเราจะต้องอดทนงานบางอย่างต้องตากแดดตากลมตากฝนเราต้องอดทนไม่เป็นคนถัดวันประกันพุ่งวันหนาวนักร้อนนัก เ, เย็นนะถ้าเราทำอย่างนี้ได้ประโยชน์ที่ได้จากในข้อนี้ก็คือว่า จะทําให้เราสําเร็จในการงานทุกสิ่งทุกอย่างประการที่สองอดทนต่อทุกขเวทนาอันเกิดจากความเจ็บปวดป่วยไขย้ไอความเจ็บปวดป่วยไข้นี้ถ้าหากว่าเราไม่มีสติสัมปชัญญะคอยควบคุมก็จะกลายเป็นคนอ่อนแอจะทําให้เราเป็นคนขี้บน่นเป็นคนจู้จี้แล้วคนอ่อนแอหมอก็ราคาญ อยู่ใกล้คนในัยคนนั้นก็รำคาญอเศร้มากนะอเศร้มากใจเศร้มากฉะนั้นเราจะต้องเป็นผลมีความอดทนโดยพิจารณาว่าไม่ได้เจ็บแต่เราคนอื่นก็เจ็บไม่ได้เจ็บแต่พ่อแม่ของเราพ่อแม่คนอื่นก็เจ็บปวดป่วยไข้ไม่ได้เจ็บตายแต่ลูกของเราลูกคนอื่นก็เจ็บตายเหมือนกันมันเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดไม่เลือกว่าชนชาติไหนเราพิจารณาอย่างนี้ได้ ประโยชน์ที่ได้รับก็คือทำให้เรามีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาเป็นคุณธรรมสำหรับผู้ที่อยู่คลองเรือนจะต้องมีประจำขิตประจำใจก็จะทำให้เกิดความผาสุกเกิดความสวัสดีและประการสุดท้ายให้เราอดทนต่อความเจ็บใจเจ็บใจในเมื่อมีผู้อื่นมาทำให้เราต้องไม่พอใจไม่สบายใจเจ็บใจในเมื่อเราประสบกับอนิจจารม คืออารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาเราจะต้องอดทนไว้การที่เราอดทนไว้ประโยชน์ที่เราได้รับก็คือทำให้เรานั้นไม่ลุกอานาจของความโกรธคนเราเวลากโกรธขึ้นแล้วมักจะทำอะไรหุนหันพันแล่นไม่สามารถที่จะบังคับจิตใจได้อาจจะด่าก็ด่าได้อาจจะฆ่าก็ฆ่าเขาได้ทุบตีเขาได้ชกต่อยเขาได้ฉะนั้นเราจะต้องอดทนไว้อดด้วยทนด้วยอดเปรี้ยวไว้กินหวานทนเพื่อให้ถึงที่ดี เราถ้าเราไม่อดเปี้ยวไว้กินหวานค่าราคามันก็หมดไปเหมือนมะม่วงถ้ามะม่วงอกร่องนี่ถ้ามันสุกมันจึงจะมีค่ามีราคาแล้วก็รสก็อร่อยแต่ถ้าเราไปกินดิบๆแล้วมันก็ยังว่านอกจากเราไม่ได้กินรสอร่อยแล้วไอ้ราคามันก็ถอยหดลดลงไปฉะนั้นเราต้องอดเปี้ยวไว้กินหวานการทำอะไรเหมือนกันที่เขาบอกว่าชิ้สุกก่อนหาไม่ดีนะไม่ดีฉะนั้น พูดถึงเรื่องความอดทนในข้อนี้ก็คือว่าให้เรารู้จักยับยั้งชั่งใจอย่าทําอะไรตามอําเภอใจอย่าทําอะไรโดยไม่รู้จักยับยั้งชั่งคิดเสียก่อนถ้าหากว่าเรารู้จักยับยั้งชั่งคิดแน่นอนที่สุดเราอยู่ในฐานะอะไรเราก็มีแต่ความร่มเย็นมีแต่ความผาสุกมีแต่ความสวัสดีพระพุทธองค์จึงได้ตัดไว้ว่า ขันติอิตะสุขาวหาขันตินำประโยชน์เกื่อกูลนำประโยชน์สุขมาให้ฉะนั้นขอให้เราทุกคนจงมีความอดทนกันเถิดนะเพราะความอดทนนี้ถือว่าเป็นตบะเป็นเครื่องเผาผลาญกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดให้เบาบางและให้หมดลงไปฉะนั้นขอให้เราทุกคนจงมีความอดทนประการที่สี่คือจากให้เรารู้จัก สลละให้ปันสิ่งของของตนแก่บุคคลที่ควรให้ปันก็คือว่าเราต้องพิจารณาดูเช่นในคราวที่เพื่อนมนุษย์ของเราตกยากตกระกรรมลำบากในข่าวที่เกิดอุทกภัยก็ดีวาตภัยก็ดีอาคีภัยก็ดีโจรภัยก็ดีหรือในภาวะที่เกิดสงครามเกิดข้าวยากหมากแพงเราจะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลถ้าเราไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามนี้เราก็ไม่รู้จะไปช่วยในยามไหนฉะนั้น การที่เราช่วยเหลือเกื้อกูลนี่แสดงว่าเราเป็นคนมีน้ำใจแต่คนมีน้ำใจที่ไหนน้ำมันก็ไหลลงไปอยู่ตลอดเวลาน้ำธรรมดาน้ำต้องไหลจากที่สูงลงที่ต่ำอยู่เสมอแต่ว่าคนมีน้ำใจนี่ไหลไปได้ทั่วทุกทิศไหลทวนขึ้นสูงก็ได้ไหลลงสํมก็ได้ออกได้รอบทิศเลยฉะนั้นขอให้เราทุกคนามีน้ำจิตน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันสละให้ปันนั้นสละทั้งวัตถุ สิ่งของต่างๆหรือเช่นในยามที่เขาเกิดความหนาวมากตามชนบทนี้เราก็เสียสละเสื้อผ้าอภรรท์ท่อนสบายที่ไหนเขาอด อ, าอยากเราก็เอาอาหารต่างๆไปช่วยเหลือ อ, อย่างที่กองสาธารณกุศลเขาไปบำเพ็ญอย่างนั้นถูกต้องอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าให้เรานั้น รู้จักสละอารมณ์ที่ไม่น่าปราถนาคือความโลภความโกรธความหลงออกไปจากจิตใจเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญเอาละการบรรยายคารวาจะทำสี่ประการมาก็เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนนักศึกษาและท่านสาธุชนทั้งหลายนำไปประพฤติปฏิบัติก็พอสมควรกับเวลาในที่สุดนี้ขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีขอเจริญพร วันนี้จะบรรยายในหมวดของที่หิปฏิบัติคือข้อปฏิบัติสำหรับครือขัดคือท่านสาธุชนทั่วไปในหมวดที่ห้าว่าด้วยเรื่องประโยชน์เกิดแต่การถือโภกระทรัพห้าอย่างคือแสวงหาโภกระทรับได้มาโดยทางที่ชอบแล้วหนึ่งเลี้ยงตัวเองเลี้ยงมารดาบิดาบุตรภรรยาบ่าวไพร่ให้เป็นสุข สองเลี้ยงเพื่อนฝูงให้เป็นสุขสาบำบัดอันตรายที่เกิดใจเหตุต่างๆสีท่ทำาพลีห้าอย่างเรียกว่าทำาพลีกรรมห้าอย่างคือหนึ่งยาติพลีสงเคราะห์ญาติสองอติทิพลีสงเคราะห์แขกคอปุกป่าสามปุกพระเปพลีทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตาย สีราชปีถวายเป็นของหลวงมีเสียค่าอากรเป็นต้นห้าเทวตาลีทำบุญอุทิศให้กับเทพปยะดาและในข้อห้าบริจาคทานให้แก่พวกสมณะชีพรามผู้ประพุธดีปฏิบัติชอบทั้งห้าข้อนี้ก็คือประโยชน์เกิดแต่การถือเอาพวกกระซัพห้ายอย่าง ก็หมายความว่าคนเราถ้ามีพวกผสมบัติหรือทรัพย์สมบัติแล้วจะต้องรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์ทั้งห้าอย่างที่ได้กล่าวมาถ้าหากว่าเรามีพวกทรัพย์หรือมีทรัพย์สมบัติแต่ว่าไม่รู้จักใช้ให้เกาะให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองแก่คนในครอบครัวแก่สังคมประเทศชาติไอทรัพย์นั้นก็เหมือนกองขยะไม่มีความหมายนะไม่มีความหมายเพราะว่าทรัพย์นั้นเป็น สิ่งปลื้มใจของคนเราก็จริงอยู่แล้วก็ทรัพย์นั้นเรามีก็เพื่อในการใช้จ่ายแลกเปลี่ยนสิ่งของต่างๆเพื่อมาอำนวยความสะดวกในการดําเนินชีวิตถ้าหากว่าเราไม่ใช้ทรัพย์ที่เราหามาได้ที่เรามีอยู่ให้เป็นประโยชน์แล้วนอกจากจะเกิดความทุกข์เกิดความหวงแหนแล้วก็จะทําให้เราเป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนเห็นแก่ตัว มีแต่ทุกข์มีแต่โทษมีแต่ความหายณะอย่างเดียวในข้อข้อที่บอกว่าออยาพวกกระซับท่านอาจจะสงสัยว่าอย่างไรเรียกว่าพวกกระซับคําว่าพวกทระซับก็หมายถึงว่าทรัพสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างที่เราแสวงหามาได้โดยทางที่ชอบคือในทางสัมมาชีพไม่ได้ไปเบียดเบียนเขาไปรักของเข า, เขามาหรือไปโกองไปช่อราดบางหลวงมาเราได้มาด้วยความสุขสุจริต ได้มาด้วยการอาบเหงื่อต่างน้ำด้วยการประกอบความเพียรในกิจที่ปราศจากโทษเช่นว่ามีการทำสวนทานาทาไร่มีการค้าขายหรือว่ารับรารจัดการต่างๆอย่างนี้เราได้ชื่อว่าพวกกระซั์ที่เราได้มาโดยทางที่ชอบเมื่อเราได้พวกกระซับมาโดยทางที่ชอบเช่นนั้นแล้วเราจะต้องใช้จ่ายอย่างไรจึงจะให้เกิดประโยชน์แล้วก็เกิดปิ ต, ต, ติและความสุข กับตัวเราเองและแก่คนทั่วไปฉะนั้นเราจะต้องรู้จักใช้จ่ายตามกำลังบริโภคของทรัพย์ที่เราได้แสวงหามาได้ตามมากตามน้อยตามสมควรแก่ฐานะของตนไม่ให้ฟุ่มเฟือยจนเกินไปและไม่ให้เฟืดเคือจนเกินไปฉะนั้นในข้อแรกที่บอกว่าเมื่อเรามีทรัพย์แล้วเราจะต้องเลี้ยงตัวเองเลี้ยงมารดาบิดาเลี้ยงบุตรภรยาเ่าพราให้เป็นสุข ท่านอาจจะสงสัยว่าให้คำว่าคนเช่นไรที่ได้ชื่อว่าเป็นเหตุไรท่านจึงได้สอนให้เลี้ยงตัวเองก่อนข้อนี้เป็นธรรมดาของคนเราจะทําอะไรอะไรนั้นก็ต้องปลารบตัวเองก่อนปลารบเอาตัวเองเป็นใหญ่เพราะตนย่อมเป็นที่รักของอของตนยิ่งกว่าสิ่งอื่นอ่นดังพุทธภาสิตที่ว่านัตติอตตะสมังเตมัง ว่าความรักเสมอด้วยตนไม่มีว่าคนเราที่บอกว่ารักคนอื่นปานจะเกินปานชีวิตนะ่ะจริงจริงแล้วก็รักตัวเองมากกว่านะรักตัวเองมากกว่าไม่มีหรอกใครรักคนอื่นมากกว่าชีวิตทุกสิ่งที่มีชีวิตนั้นรักชีวิตหวงแหนชีวิตของตนเหนือสิ่งอื่นใดทั้งสิ้นนะ mm hmm. ฉะนั้นอันนี้แหละ เ, เราทุกคนจึงจึงต้องเลี้ยงตัวเองก่อน คนเราเมื่อเมื่อเลี้ยงตัวเองให้มีความมั่นคงอยู่เย็นเป็นสุขแล้วแน่นอนที่สุดก็ย่อมที่จะเลี้ยงผู้อื่นให้เป็นสุขได้แต่ถ้าตัวเองไม่เป็นสุขแล้วก็ยากที่จะเลี้ยงผู้อื่นให้มีสุขได้ฉะนั้นเราจึงต้องเลี้ยงตัวเองเสียก่อนนะเมื่อเราเลี้ยงตัวเองเอแน่นอนที่สุดคนที่เราควรจะเลี้ยงต่อไปก็คือมารดาบิดานะมารดาบิดานี่ถือว่าเป็นบุตร ก, กาเรบุคคล เป็นบุคคลที่ทำอุปการะแกเรามาก่อนถ้าหากว่าลูกหญิงลูกชายไม่เลี้ยงมารดาบิดาลูกหญิงลูกชายนั้นก็จะได้ชื่อว่าเป็นลูกอักตันโูลูกอักตันโยเป็นลูกที่พ่อแม่ไม่ปรารถนาเป็นลูกที่พ่อแม่ไม่ต้องการฉะนั้นขอให้เราทุกคนนั้นจงมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่การเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ก็เท่ากับว่าเรานั้นเลี้ยงครูของเราเอง มาเลี้ยงเทวดาของเราเองมาเลี้ยงพระพรหมของเราเองมาเลี้ยงพระอรหันต์ของเราเองมาเลี้ยงอาหุนยบุคคลของเราเองขอให้ท่านลองนกดูมารดาบิดาพ่อม่พระพุทธองค์ท่านได้จัดว่ามาเป็นครูคนแรกของลูกที่อบรมสั่งสอนลูกสอนให้ลูกรู้จักทางดีชี้ทางชั่ว อย่างนี้ควรทําอย่างนี้ไม่ควรทํากอนบุคคลอื่นกอนครูคนอื่นใดๆในโลกนี้เปรการที่สองพระพุทธองค์ท่านได้ตรัสไว้ว่ามารดาบิดาเป็นเทพ ย, ายดาของลูกนะเป็นเทพ ย, ยดาของลูกที่ลูกทุกคนจะต้องเอตอบแทนนะเพราะว่าท่านเคยปกป้องคุ้มครองเรามาคอยเอรักษา ทำให้เรานั้นอยู่รอดปลอดภัยมาฉะนั้นเราจะต้องรู้จักตอบแทนเพื่อให้เกิดความสุขเพื่อให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกคนไหนไม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่จะได้ชื่อว่าเป็นลูกที่อัปตะตันยูนอกจากเป็นลูกอัตะตันยูและจะเป็นลูกที่คนรู้คนไหนทราบก็จะติชินนินทาขอให้เราทุกคนจงมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ สันติสุขก็จะบังเกิดขึ้นแก่ตัวเองและเกิดขึ้นกับพ่อแม่อีกด้วยแปลการที่สารพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่ามารดาบิดาเป็นพระพรมของลูกที่เลี้ยงลูกมาด้วยคุณธรรมสี่ประการคือเมตตาความปรารถนารักใคร่ต่อลูกกรุณาความสงสารไม่อยากให้ลูกนั้นประสบความทุกข์มุทิตายามลูกได้ดีก็คลอยยินดีอุเบกขา เมื่อลูกถึงสุกอันไจบูญก็วางเฉยหรือว่าถึงทุกข์ถึงที่สุดก็วางเฉยได้ออันนี้แหละถือว่าอมารดาบิดาเป็นพระพรหมของลูกฉะนั้นเมื่อเราทราบเช่นนี้ลูกก็ต้องตอบแทนบารดาบิดาได้ชื่อว่าเป็นพระพรหมการที่เราได้บูชาพระพรหมเลี้ยงบูพระพรหมก็ถือว่าเป็นมงคลแก่ตัวเรามาตาปิตูนังอ เทียกว่ามาตาปิตูนังแล้วก็เราสมนิบัติวัดถากมารดาบิดาเป็นมงคลแก่เรานะเป็นมงคลแก่เราโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ได้ชื่อว่าเป็นพระอาหารหันต์ของลูกที่ลูกควรจะเคารพที่ลูกควรจะกราบไหว้ที่ลูกควรจะนําข้าวน้ําเสื้อผ้าอาภรณ์ท่อนสบายเอามาให้ท่านใช้เอามาให้ท่านาได้กินได้ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างสมบูรณ์ ลูกคนไหนทําลูกคนนั้นได้ชื่อว่าเป็นลูกที่ดีลูกมีเครื่องหมายของความเป็นคนดีเหมือนกับพุทธภาสิตที่พระพุทธองค์ได้จัดไว้ว่านิมิตตังสาธุรูปานังกัตัญยูกตวเวทิตาว่าคนที่มีความกัตัญญูคือคนที่มีเครื่องหมายของคนดีตรงกันข้ามอาคนอกัตัญยุก็คือคนมีเครื่องหมายของของคนชั่วหรือของของความชั่วนั่นเอง มาทะนั้นขอให้เราทุกคนมาเป็นลูกแก้วนะมาเป็นลูกแก้วไอ้ลูกแก้วนี่มันใสนะลูกแก้วนี่มันใสไอ้คาว่าลูกแก้วไม่ได้หมายว่าตื่นขึ้นเช้าก็ลูกกอแก้วพ่อกอแก้วแม่ก้แก้วไม่ใช่หมายอย่างนั้นหมายความว่าเป็นลูกเป็นแก้วตาแก้วใจของพ่อแม่ตาพ่อแม่ก็สดใสใจก็เปิกบานลูกอย่างนี้แหละเรียว่าเป็นลูกแก้วของพ่อของแม่ลูกที่ว่านอนสอนง่าย ไอ้ลูกที่ดื้อดึงลูกที่เถียงทาไม่ตกฟ้าอลูกที่หลานทรัพย์สมบัติของพ่อแม่ลูกอย่างนี้ไม่ใช่ลูกแก้วลูกอย่างนี้เป็นลูกที่ที่พ่อแม่ไม่ปรารถนาลูกอย่างนี้เขาเรียกว่าอเป็นลูกกบเป็นลูกแกะเป็นลูกเกาะแล้วก็เป็นลูกอากัดเป็นลูกกล้วยนี่อยู่ในประเภทนี้ในลูกกบก็คือว่า ไอ้ลูกที่พลานทรัพสมบัติของพ่อแม่ไอ้ลูกแก่ก็คือลูกที่แก่ทรัพสมบัติของพ่อแม่ไอ้ลูกเกาะก็คือลูกที่เกาะกินทรัพย์สมบัติของพ่อแม่ไอ้ลูกกัดก็คือลูกที่ด่าว่าพ่อแม่ทุบตีพ่อแม่ลูกด้วยก็คือลูกที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฉะนั้นลูกประเภทนี้ไม่มีประโยชน์ไม่มีค่าไม่มีราคาลูกประเภทนี้พ่อแม่ไม่ปารถนาฉะนั้นเราจงมาเป็นอภิชาตบุตรเป็นบุทที่ พ่อแม่ปาฏนาเป็นบุครที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปรู้อย่างน้อยที่สุดเราก็เป็นอนุชาตบุตรเป็นบุครที่จเรเินรอยตามพ่อแม่พ่อแม่เป็นคนมีศีลมีธรรมมีธรรมเป็นคนให้ทานรักษาศีลจเจริญภาวนาลูกก็เจรินรอยตามประพุติปฏิบัติตามก็จะได้เป็นอนุชาตบุตรคือเป็นบุครที่จเรเินรอยตามเราไม่ควรจะทําตัวเองให้ต่ําไปกว่าพ่อแม่หรือ มาผลานทรัพย์สมบัติพ่อแม่หรือทําให้วงตระกูลต้องเสื่อมไปจะให้คนเขาตราหน้าว่าเป็นอวชาตะบรเป็นบุครที่ต่ําที่เลวที่ซามใช้ไม่ได้มีแต่คนติดฉินนินทาไม่ดีฉะนั้นขอให้เราทุกคนเมื่อมีทรัพย์สมบัติแล้วต้องมาเลี้ยงพ่อแม่เลี้ยงมารดาบิดาก็เท่ากับว่าเราเลี้ยงพระอาหารมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญแายการต่อมาให้เราทุกคนนั้นใช้ทรัพย์สมบัติเลี้ยงบวตภรรยา อันนี้เป็นการสงเคราะห์เป็นการสงเคราะห์การที่เราสงเคราะห์บุตรภรรยานั้นก็ถือว่าเป็นมงคลเป็นความเจริญเป็นความก้าวหน้าเพราะทั้งสองท่านนี้ถือว่าเป็นคู่ทุกขู่ยากเป็นเป็นภรรยาก็คือผู้ภาษาชาวบ้านก็เป็นเมียของเราเป็นเมียของเราเป็นลูกของเราฉะนั้นเมื่อเรามีภรรยามีลูกแน่นอนที่สุดเราจะต้องรับผิดชอบรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่าง เราจะต้องช่วยเหลือเกลื่อกูลซึ่ ง, งกันและกันถ้าหากก็เป็นเราไม่สงเคราะห์บุตรภรรยาก็เท่ากับว่าเรานี้ฆ่าคนทั้งเป็นยิ่งไปกว่านั้นเราก็จะไม่ได้ชื่อว่าเป็นสามีที่ดีไม่ได้ชื่อว่าเป็นพ่อที่ดีไม่ทําตามหน้าที่ของความเป็นสามีที่ดีไม่ทําหน้าที่ของความเป็นพ่อที่ดีที่จะพึงมีต่อบุตรมีต่อลูกหญิงลูกชาย ฉะนั้นขอให้เราทุกคนจงมาใช้ใจ่ายทรัพย์ให้เป็นประโยชน์แก่ภรรยาและแก่บุตรเท่าที่จะทำได้ราการต่อมาก็คือเราจะต้องใช้ใจ่ายทรัพย์ให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนฝูงนะแก่เพื่อนฝูงเราทุกคนไม่ได้เกิดมาอยู่คนเดียวเราทุกคนจะต้องมีเพื่อนฝูงต้องมีมิตรมีสหายการที่เรามีมิตรมีสหายมีเพื่อนฝูงมากนั่นแสดงถึงเราเป็นคนมีน้ำใจแสดงถึงเราเป็นคนมีการช่วยเหลือเกื้อกูล เห็นประโยชน์ส่วนรวมสำคัญแต่คนที่ไม่มีเพื่อนฝูงนั่นแสดงถึงเป็นคนที่อัตคัดน้ำใจเป็นคนที่ไร้น้ำใจเป็นคนที่ใจจืดไอ้คนใจจืดเป็นคนที่ไม่มีค่าไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์แต่ว่าน้ำที่เราดื่มนั้นเราทุกคนชอบน้ำาจือดชอบน้ำาจืดแต่ว่าใจของคนจะจืดเหมือนอย่างน้าไม่ได้จะจืดเหมือนอย่างน้าไม่ได้หรือว่าแกงจืด นั้นบางครั้งเรียกว่าแกงจืดแต่เราก็ยังต้องเติมเติมน้ําปลาเติมตัวลงไปให้มันรสเข้มข้นขึ้นไปอีกนั้นใจคนเราเหมือนกันอย่าจืดไม่ได้เราจะต้องเติมเติมอะไ ร, เ, เ, รเติมทานเติมศีลเติมภาวนาเติมเข้าไปเติมเมตตาให้รู้จักเป็นคนอกเอื้ออารีว่าจีภัยราะสงเคราะห์ชุมชนวางตนเสมอต้นเส ม, อ, เสมอปลายอย่างนี้ใช้ได้นะใช้ได้ฉะนั้น การที่เรามีเพื่อนดีมีมิตรสหายดีก็เพราะว่าเราเป็นคนดีนะแน่นอนที่สุดเมื่อเราเป็นคนดีเพื่อนของเราก็พลอยดีไปด้วยนะพลอยดีไปด้วยฉะนั้นเรามีทรัพก็ควรจะช่วยเหลือเพื่อกูลเพื่อนฝูงตามฐานะตามโอกาสอันสมควรแต่การต่อมาก็คือบ่าวไพร่คนใช้ของเราเราอย่าไปดูหมิน่นดูแคลนว่าเขาเป็นบ่าวเป็นไพร่เป็นภรรยาเพราะถือว่า เขาก็คือเป็นมนุษย์เหมือนกับเรารักฝุกเปียดทุกเหมือนกับเราไม่ควรไปดูหมิ่นดูแผลนเขาเป็นแต่เพียงว่าเขาเกิดมานั้นอาจจะมีฐานะต่ําต้อยกว่าเราและก็ไม่มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนเหมือนอย่างเราจริงๆแล้วเขาอาจจะมีสติปัญญาดีกว่าเราก็ได้แต่ว่าเขาไม่มีโอกาสได้เรียนอาจจะเป็นเพราะฐานะทางบ้านไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีหรือว่าคน ทางบ้านไม่สนับสนุนหรือว่าบ้านนั้นอาจจะอยู่ไกลการศึกษาจึงทําให้เขาพลาดโอกาสอันนั้นแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องภูมิประเทศอาจจะอยู่ในภูมิภาคอันไม่สมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญธุ์ยารผลไม่ตกต้องตามฤ ด, ดูกาลทําให้เขาต้องเกิดการยากาสนค้นแค้นฉะนั้นเขาก็ต้องประกอบอาชีพต่างๆอาจจะมาเป็นคนรับใช้เราเป็นบ่าวเป็นไผ่เราฉะนั้นเราก็ต้องยกย่อง ต้องพูดคําให้เพราะมีทรัพสมบัติก็ช่วยเหลือเกื่อกูลนะให้เขาได้กินของดีใช้ของดีอเมื่อเราทําอย่างนี้บ่าวไพร่ก็จะรักเขารบเราก็จะช่วยการงานของเราขยันทํางานของเราให้สําเร็จหรล่วงไปได้ด้วยดีฉะนั้นขอให้เราทุกคนจงมีน้ําใจอต่อมารดาบิดาต่ อ, อบุตรภรรยาต่อเพื่อนฝูงและต่อบ่าวไพร่ก็จะได้ชื่อว่าเราใช้ทรัพ ที่เรามีให้เป็นประโยชน์เพื่อกูนโดยถูกต้องตามทรรนองกลองธรรมแปลการที่สองนอกจากที่เราจะเลี้ยงเพื่อนฝูงให้เป็นสุขแล้วนะก็ขอย้ําอีกนิดว่าคําว่าเพื่อนฝูงนี้สําคัญมากนะฉะนั้นในหมวดนี้ท่านจึงใช้คําว่าเพื่อนฝูงก็สแสดงว่าไม่ได้มีคนเดียวมีเป็นฝูงนะคําว่าเพื่อนนี่ต้องมีกันหลหลายคนมีทั้งเพื่อนหญิงเพื่อนชาย คนเราต้องมีทั้งเพื่อนหญิงเพื่อนชายการที่เรามีเพื่อนคําว่าเพื่อนยมิตรไม่หมายถึงว่าคนที่เคยคบกันเป็นเพื่อนกินเพื่อนนอนกันอย่างนี้เป็นเพื่อนเรียกว่าแ้าจะเรียกว่าเป็นเพื่อนตายเป็นเพื่อนตายฉะนั้นการคบเพื่อนนี้จึงต้องจึงต้องยังว่าขอให้เราทุกคนนั้นคบแต่คนดีถ้าเราได้เพื่อนดีแน่นอนที่สุดเราก็ดีไปด้วยคนโบราณจึงบอกว่าคบ คนดีก็เป็นสีแก่ตัวคบคนชั่วก็พาตัวอัปราชัยนี่ฉะนั้นขอให้เราทุกคนจงคบคนดีนะคบคนดีเขาเรียกว่าคบพานพานก็พาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตก็พาไปหาผลนะเรียกว่ามีแตงประโยชน์แต่ถ้าคบคนพานอย่างเดียวแน่นอนที่สุดเราโคตจะประสบกับความหายยนะมีทรัพสมบัติก็หมด มีที่ไร่ที่นาก็อาจจะหมดเพื่อนที่ไม่ดีอาจจะชักนำเราไปติดอวายามุกเป็นคนเจ้าชู้เป็นนักเลงหญิงเป็นนักเลงชายเป็นนักเลงการพนันเป็นนักดื่มสุราเมรัยมีแต่ทางหายนะลูกเดียวฉะนั้นจึงได้มีภาสิบทัวดึงไว้ว่าเพื่อนที่ดีมีหนึ่งถึงจะน้อยดีกว่าร้อยเพื่อนคิดฤษยาเหมือนมีเกลือนิดหน่อยน้อยราคายังดีกว่ามีน้าเค็มเป็นทะเล ฉะนั้นขอให้ท่านลองเอาไปพิจารณาดูเมื่อเราประพฤติปฏิบัติอย่างนี้เราก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญประการที่สามให้เรานั้นบำบัดอันตรายที่เกิดจากเหตุต่างๆพูดถึงอันตรายที่เกิดจากเหตุต่างๆนี้ก็หมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอาจจะเกิดจากตัวเราอาจจะเกิดจากผู้อื่นซึ่งมันเกิดได้อยู่ตลอดเวลาพูดถึงอุปสรรคอันตรายซึ่งเราไม่สามารถจะล่วงรู้ได้ เพราะชีวิตของเรานั้นมันเป็นของที่ไม่แน่นอนนะแต่ว่าเราต้องนอนแน่เราจะนอนเมื่อไร่ไม่มีใครรู้ใครทราบเมื่อเรารู้ว่าชีวิตเป็นอนิจจังไม่เป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ถาวรนะวันนี้มีสุขพวกนี้อาจจะมีทุกขวันนี้ร่ํารวยพวกนี้อาจจะจนอวันนี้จนพวกนี้อาจจะร่ํารวยวันนี้มีทุกพวกนี้ก็อาจจะมีสุขได้วันนี้เป็นยาจกพวกนี้อาจจะเป็น พระราชาก็ได้ไม่แน่พูดถึงชีวิตอันนี้มันมีเหตุมีเรื่องมีราวในอดีตการมามากมายนะมามากมายฉะนั้นก็ขอให้เราทุกคนนั้นจงมาพินิจพิจารณาให้ท่องแท้ว่าสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นแก่เราก็ขอให้เรานั้นทําจิตใจให้มั่นค ง, งเขาเรียกว่าใจดีสู้เสือก็คือว่าค่อยๆแก้ปัญหานะค่อยๆแก้ปัญหาไป ทีละเล็กพีระน้อยทีละเปลาะนะช่วยเหลือเกื้อกูลกันเมื่ออันตรายเกิดขึ้นนะเราทุกคนไม่อยากให้อันตรายเกิดขึ้นแก่ตัวเราคนอื่นก็ไม่อยากให้อันตรายเกิดขึ้นฉะนั้นเมื่ออันตรายอย่างใดยอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วเราก็จะช่วยกันบำบัดช่วยกันหาทางแก้ไขให้มันเบาบางลงไปให้มันหมดไปเราก็จะมีแต่ความสุขเราก็จะมีแต่ความเจริญ ประการที่สี่ก็คือว่าให้เราทุกคนนั้นทำอะพรกรกมห้าอย่างคำว่าพรีกรรมในที่นี้ก็หมายถึงว่าทำบุญอุทิศให้นะอะไรต่างๆเหล่านี้เช่นว่ายาติตรีหรือบางทีเราก็ต้องรู้จักสงเคราะห์ญาตินะเราต้องรู้จักสงเคราะห์ญาติเราทุกคนนั้นมีเพื่อนมีพ้องมีญาติมีมิตรนะญ า, าตินี่อาจจะญาติโดย โดยเชื้อสายและอาจจะเป็นญาติโดยธรรมญาติโดยเชื้อสายก็อาจจะเป็นญาติข้างพ่อข้างแม่เป็นพี่น้องร่วมท้องเดียวกันเอเป็นพี่น้องข้างพ่อเป็นพี่น้องข้างแม่แต่ญาติโดยธรรมนี่หมายถึงว่าญาติร um ่วมโลกเป็นคนถือว่าเป็นญาติกันทางนั้นเป็นญาติกันทางนั้นทุกคนรักสุขเบียดทุกทางนั้นฉะนั้นเราจะต้องรู้จักสงเคราะห์กันนะรู้จักสงเคราะห์กันการสงเคราะห์กันนี้ถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นมากก็เท่ากับว่า เราผูกไมตรีกันไว้เขาเรียกว่าผูกไมตรีอย่ารู้ร้างสร้างกุศลอย่ารู้โรยอถ้าเราขาดไมตรีแน่นอนที่สุดเราก็ขาดญาตินะขาดญาติฉะนั้นคนไม่มีญาติก็เหมือนกับคนที่ไร้พวกพ้องบริวารไร้ขอบรั้วอันแน่นหนาก็เหมือนกับบ้านที่อยู่ใน ในกลางป่าหรืเหมือนกับบ้านที่อยู่ในกลางทะเลทรายมันเปล่าเปลี่ยวอ้างว้างแต่คนที่มีเพื่อนมีพ้องมีญาติมีมิตรมีสหายก็เหมือนกับเราอยู่รวมกันกับญาติพี่น้องเป็นเป็นหมู่เป็นพวกมันมีความสุขเหลือเกินสุขอันเกิดจากญาติสุขอันเกิดจากร่มเงาของญาตินั้นเป็นสุขที่ที่หาได้ยากฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้เคยตรัสไว้ว่า ไอ้เย็นเงาร่มมิ่งไม้สุขสบายเย็นยากทุกสำรายกว่าไม้นี่ไอ้เย็นร่มเงาของต้นไม้นะ่ะมันชัว่วประเดี๋ยวกระดาวเดี๋ยวแดดสายบ่ายคล้อยมันก็เปลี่ยนลงไปเรื่อยแต่ว่าเย็นร่มของญาออาอ่าเนี่เนนะเยเย็นอยู่ตลอดเวลาเย็นข้ามวันข้ามเดือนข้ามปีน่ะเย็นทั้งกลางวันกลางคืนเย็นอยู่ตลอดเวลา แต่เย็นร่มเงาแห่งไม้นั้นมันต้องอยู่ในที่จํากัดแต่ว่าเย็นร่มเงาแห่งญาติไม่จํากัดจะอยู่ในกลางแดดกลางแจ้งในที่ร่มหรือในห้องแอร์หรือนอกห้องแอร์มันก็เย็นสบายทางนั้นฉะนั้นเขาจึงบอกว่าแม้เป็นญาติแต่ขาดอารีรอบอมิใช่ยอดแต่ชอบกอบเกื้อหนุนดีกว่ายอดที่ขาดการเจรจุนมีบุญคุณต่อกันนิรันดร บางคนเป็นญาติแต่ไม่รู้จักสงเคราะห์กันไม่รู้จักสร้างร่มเงาแห่งญาติให้เกิดขึ้นสู้กับคนที่ไม่ได้ญาติโดยเชื้อสายกลับมาสงเคราะห์อื้อเฟื้อเจืออาจซึ่งกันและกันก็เป็นบ่อกเกิดแห่งความสุขเป็นบ่อกเกิดแห่งความเจริญและเป็นการสมานน้ำใจสมานความสามัคคีทําให้เรานั้นจะทําอะไรก็ประสบแต่ความสําเร็จเพราะเรารู้จักสงเคราะห์ญาติ ประการต่อมาก็คือว่าอาติทิพีก็คือสงเคราะห์แขกคําว่าสงเคราะห์แขกก็หมายถึงว่าเพื่อนมิตรสหายที่มาเยื่ยมเยือนเราเราจะต้องสงเคราะห์การสงเคราะห์แขกนั้นก็สงเคราะห์ด้วยวัตถุอย่างหนึ่งเช่นว่าสงเคราะห์ด้วยอาบิตรก็มีข้าวน้ําำเสื้อผ้าอาพรท่อนสมัยก็ตามฐานะแขกมาบ้านเราเราก็หุงข้าวหาน้ําหาท่าอะไรให้เขาเดิมเขาอาบ มาผูบุรีอะไรก็ตามฐานะของเราอันนี้คนไทยนี่ถือมากนะถือมากไปถึงบ้านเรือนชานใครแล้วไม่ตักน้ำให้เรืมไม่มีมาปูบุรีเราก็ถือว่าบ้านน้ำไร้น้ำใจคบไม่ได้นะคบไม่ได้นี่เป็นประเพณีของคนไทยจะเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมของคนไทยก็ได้แขกไปบ้านจะต้องตักน้ำตักท่าผูเสือสาอาสนะตอนรับเรียกว่าน้ำใจ ของคนไทยนี่ไม่เคยแรงนะไม่เคยแรงน้าใจ เ, าเรียกว่าพกขึ้นบ้านก็จะถามกันเลยเรื่องกินข้าวกินปลานี่คนไทยเป็นอย่างนั้นอันนี้เราจะต้องสงเคราะห์นะตามฐานะของเราและอีกอย่างหนึ่งก็คือสงเคราะห์ด้วยธรรมแคกไปบ้านเราก็อาจจะเขามีความทุกข์ใจเราก็อาจจะคุยให้เขาหายทุกข์ใจได้หายความเศร้าโศกได้สางจากความทุกข์ความโศกโรคภัยต่างๆได้ หรืออาจจะช่วยเหลือเกื้อกูลเขาตามฐานะหรืออาจจะคุยธรรมะธรรมโมทาให้เขาเกิดความสุข ก, กายสบายใจ อ, อันนี้ก็ถือว่าเป็นการสงเคราะห์ด้วยธรรมอย่างหนึ่งอีกเหมือนกันดังนั้นขอให้เราทุกคนนั้นจงใช้จ่ายทรัพย์ให้เป็นประโยชน์ด้วยการสงเคราะหญ์ญาติด้วยการสงเคราะห์แขกเรือที่มาเยี่ยมเยือนถึงเราถึงบ้านของเราถึงสํานักงานของเราตามฐานะให้รู้จักการละเทสะ ประการต่อมาก็คือว่าปกา พ, พระเตตะเพก็คือให้เรารู้จักทําบุญอุทิศให้กับผู้ตายในคําว่าทําบุญอุทิศให้กับผู้ตายนี้ประการแรกก็ให้นึกถึงญาติของเราก่อนอปู่ย่าตายายของเราพ่อแม่ปี่น้องของเราเมื่อท่านตายไปแล้วเราก็ต้องทําบุญอุทิศให้อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือทําบุญอุทิศให้กับผู้ที่ทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติอาจจะเป็นพวกวีรชนพวก เราทหารต่างๆหรือว่าเป็นผู้นําของประเทศชาติที่นํำชัยชนะทําหน้าที่ปกป้องประเทศชาติทําให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขหรืออยู่รอดปลอดภัยจากน้ํามือของพวกปัจจามิตรได้เมื่อเขาร่วงลับไปแล้วเราก็ควรทําบุญอุทิศให้นะทําบุญอุทิศให้การทําบุญอุทิศให้ก็คือว่าเป็นการแสดงออกซึ่งความกระตัญญูกะตะเวทีเป็นการแสดงออกซึ่งความเป็นผู้มีน้ําใจ ใช่ทั้งที่เป็นญาติและไม่ใช่ญาติเมื่อเขาตายไปแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะไปอยู่ในภพใดอไปเกิดในที่ใดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อกันความไม่ประมาทเราก็ต้องทําบุญอุทิศไปให้ถ้าหากว่าเขาไปเกิดอยู่ในพระทัตตูปจีวิเปตหรือไปเกิดในวิสัยแห่งเปรตซึ่งอในที่นี้ไม่มีการทํำไร้ไถนาไม่มีการทํามาค้าขาย ได้แต่มีหน้าที่คอยรับส่วนบุญที่พวกเราอุทิศไปให้ฉะนั้นเราก็ไม่รู้หรอกว่าญาติของเราปู่ญาติตายายของเราจะไปอยู่ในภพใดถ้าเขาไปอยู่ในภพนี้เขาก็ย่อมจะได้รับบุญทานการกุศลที่เราได้ทำออกไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นหลักอย่างหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาฉะนั้นแปลการต่อมาก็คือราชปีถวายเป็นของหลวงก็คือว่าขอให้เราทุกคนนั้นต้องรู้จักเสียภาษีเสียอากรให้กับ อพระราชามหากษัตริย์เช่นบางที่ก็มีทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ดังนั้นเราจะต้องเสียอากรสเสียดอกเบี้ยเสียค่าเช่าเสียภาษีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทํามาค้าขายนี้เราต้องเสียภาษีทางนั้นอันนี้เพื่อเป็นการเข้าของอะอาเข้าของหลวงนะเป็นของหลวงหลวงได้อภาษีจากเราไปก็เอามาบริหารประเทศชาติเอามาช่วยเหลือเรามันเป็นวัตจักรหมุนเวียนวนเวียนกันไป ท่านเสียสละให้เราเราได้ผลแล้วก็มาช่วยเหลือท่านอันนี้ก็มันเป็นสิ่งจำเป็นที่เราทุกคนจะต้องใช้ส่ายทัพย์ให้เป็นประโยชน์เราทำอย่างนี้ก็จะได้ชีอว่าเรานั้นเป็นการคารวะเคารพต่อพระราชาพระราชามหากษัิย์ต่อพระเจ้าแผ่นดินของประเทศของเรา และประการสุดท้ายก็คือเ like ทวตาพรีทำบุญอุทิศให้กับเทพพยดาคำว่าเทพพยดาในที่นี้ได้แก่เป็นผู้วิเศษแตแกจากสามันชนมีอยู่สามประการคือสมมุติเทวดาเป็นเทวดาโดยสมมติอุ ป, ปติเท ว, วดาเป็นเทวดาโดยอุบัติวิสุทธิเทวดาเป็นเทวดาโด ย, โด ย, โดยโบริสุทธิ์นะแต่ในที่นี้ท่านประสงค์เอาอุ ป, ปติเท ว, วดาคือเป็นเทวดาโดยโอุบัติ ซึ่งเทวดาจำพวกนี้เราถือว่าเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองรักษาอำวยประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนฉะนั้นเราก็จะต้องทำบุญอุทิศให้นะทำบุญอุทิศให้แผ่เมตตาใ ห, ให้เขามีความสุขมีความเจริญเป็นการแสดงออกซึ่งความากตัญญูกตเวทีเพื่อไม่ให้เรามีโทษซึ่งกันและกันและข้อห้าข้อสุดท้ายก็คือให้เราบริจาคทานแก่สมณะีพราหม เพื่อเป็นประโยชน์ันนี้ก็หมายความว่าคำว่าสมณะแปลว่าผู้ระ ง, งับกิเลสจากบาปหรือจากความโลภความโกรธความหลงฉะนั้นเราจะต้องช่วยเหลือเกือ้อกูลด้วยปัจจัยสี่มีอาหารที่อยู่เสื้อผ้าอาฟ้อนท่อนสบายอยู่ยารักษาโรคเพื่อให้เป็นประโยชน์และในชั้นสูงก็หมายถึงว่าพระอัยยบุคคลตั้งแต่โซดาบันตั้งแต่สาาัตาคามีอนาคามีพระอาหารหันต์เนี่ยเราจะต้องบำรุงให้ความ อุปธรรมบำรุงเมื่อเราอุปธรรมบำรุงแล้วท่านก็ได้ออกรมสั่งสอนให้เร า, ารู้จักดีรู้จักชั่วสอนให้เร า, าเบาบางจากกิเลสตัณหาเราก็จะมีความสุขมีแต่ความเจริญเอาล ะ, ะการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องประโยชน์เกิดแต่การถือเอาโพกซับห้าอย่างก็พอสมควรกับเวลาในที่สุดนี้ขอให้ผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีขอเจริญพร